พุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่เก้าหลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้พนอมรักเพชรสเถียนชนนช่างพินิจรอบรัวสีโพคาทิติยาวัฒนานิมิตกุลสุเมธคุ้มวงวนาสุดาบัวจูมปิยพงคล้ายคลึงสิงทองเหลืองเจริญกิจภาวนาเหลืองเจริญกิจกอนสนันเหลืองเจริญกิจ เจนวิทย์เหลืองเจริญกิตปลอยภัยลินสุทธิเดชวรรฒนาชกาณันวิไลวันกุณเพิ่มทวีรัตครอบครัวอารีหนูครอบครัวมณสาครอบครัวออนดิตคุณแม่บู่นาคมาศนราภร์นาคาเกต ร, รวมกับอีกหลายท่านดูรายชื่อทั้งหมดได้จากรายละเอียดและเครดิต ท, ท้ายเรื่องขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง